บัดนี้จักได้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเิดตอน23ว่าดบาทยผู้ประเสริฐ น, นาควควรรณนาหนึ่ง เหมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามพระพุทธภาสิทธ์อหังนาโควะสังคาเมจาปาโตปฏิตังสรังอติวากยังติติกิดสะทุตสีโลหิพหุ ช, ชโนทันตังนายนติสมิติงทันตังราชาพิรุหติ ทันโตเศโถมนุสเสสุโยติวักยังติติค ต, ติวระมะสัตตราทันตาอาชาณิยาจะสินทวากุญชราจะมหานาคาอัตทะนโตตะโตวรังแปลว่าเราจะอดกลั้นคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกเข้าสู่สงคราม คนต่อลูกสอนที่ตกจากแรงเพราะคนส่วนมากเป็นคนทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตพาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงพาหนะตัวที่ฝึกแล้วบุคคลฝึกตนให้เป็นผู้อดทนต่อคำร่่งเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ม้าอัสดร์ม้าสินทพชาตอาชะนาย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 เป็นมีดคมสำหรับไว้เชือดเชื่อผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบผู้ชั่วชั่วไว้เชือดเชื่อนตนเองตามในยนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชื้ดเชื่อผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชื่อเชื้อนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ท, ทศสีโลหิพระหุชโนเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องอดทนต่อคําล่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองๆ เ, เพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความขนองบ้างด้วยความริษยาบ้าง การหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิดคนบางคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกกอดทนต่อคำล่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงจะทะเลาะกันบางพวกกดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่าเพราะ เห็ hn, นขุนาญิสง์ของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุดมีคําสรรเสริญคุณของขันติไว้เป็นอันมากเป็นต้นว่าความอดทนต่อคําล่วงเกินของผู้อื่นอดทนต่ออารมณ์อันมายโยโยวนให้โลภโกรธหลงรักชังอดทนต่อโลกธรรมำแปดเป็นตบะอันสูงสุด ว่งเล็บขันตีประมังตโปตีติขาความอดทนเป็นเครื่องห้ามความผุนผันขันติสาหสวรณาความอดทนนำมาซึ่งความดีและความสุขขันติหิตะสุขาวหาความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชขันติทีรัสรางกาโรความอดทนเป็นตะของผู้บำเพ็ญตะ ขันติตาโปตปัสโนความอดทนเป็นกําลังของนักพรตขันติพลังวยตินังผู้อดทนย่อมเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายมะนาโปโหติขันติโกข้าพระเจ้าเชื่อว่าความอดทนสามารถชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางด้านการศึกษาเศรษฐกษิจและสังคมคนไทยที่มั่งมีได้น้อยกว่า คนจีนก็เพราะมีความอดทนน้อยกว่าคนจีนมีความอดทนมากในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานการกินอยู่หลับนอนเขารวยแล้วจึงค่อยหาความสบายแต่คนไทยเราส่วนมากหาความสบายความสนุกไปเรื่อยๆความอดทนในการทำงานเรื่องความอดทนในการทำงานและการประหยัดอดออมแล้วคนไทยเราแพ้คนจีนมาก เราเอาชนะใจตนเองไม่ได้เราตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเรามีทัศนคติกันเป็นส่วนมากว่าคนฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเป็นคนมีบุญโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาเอาที่ไหนมาฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเบียดเบียนพ่อแม่หรือเบียดเบียนสังคมอย่างไร คนที่ไม่อดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆจะต้องไปอดทนสิ่งใหญ่ๆหรือครั้งใหญ่ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นวงเล็บอันเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับต้องฆ่าฝันกันเมื่อต้องเจ็บตัวอวัยวะแขนขาขาดหรือต้องติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างอย่างนี้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนครั้งใหญ่ มีความจำเป็นต้องอดทนคนผู้นั้นจึงทนได้ถ้าเราหัดทนต่อเรื่องเล็กเ็กน้อยน้อยเสียก่อนก็ไม่ต้องไปอดทนต่อความอดทนครั้งใหญ่การอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์ดิ拉ฉานคือท่านว่าสัตว์ดิ拉ฉานเป็นต้นว่าช้างมา้าโคสุนัขเป็นต้น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 เมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดทนแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรธทรรมทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีแคว้นวงังสะทรงตรารพระองค์เองกับชาวเมืองโกสัมพีมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องมีพิษดาลแล้วในอปปมาทวัคบรณ น, นาเรื่องแรกโปรดดูทางแห่งความดีเล่มหนึ่งหน้า 179-195 ถึงประกอบด้วยซึ่งวงเล็บรวมอยู่ในเรื่องพระนางสามมาวดีเรื่องย่อในที่ว่า น, นี้นางมาคันทียาเมื่อไม่สามารถเบียดเบียนพระนางสามมาวดีและพระพุทธเจ้า ได้โดยวิธีอื่นแล้วก็จ้างคนที่ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัยให้เที่ยวาตามด่าพระพุทธเจ้าคนเหล่า น, นั้นเห็นแก่ค่าจ้างจึงเที่ยวตามด่าพระพุทธองค์ด้วยอักโกสวัตถุสิบคือท่านเป็นโจรเป็นพานเป็นคนหลงเป็นอูดเป็นโคเป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ดิดาชานสุคติไม่มีแก่ท่านทุคติเท่านั้นจะมีแก่ท่าน หลายวันเข้าพระอานนทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ออกจากกรุงโกสัมพีไปอยู่นคร อ, อื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าในที่นั้นๆเขาดา่าอีกจะทําอย่างไรพระอานนทูลว่าก็ไปที่อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสว่าอานนทการทําอย่างนั้นหาควรไม่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดให้สงบ ในที่นั่นเสียก่อนแล้วจึงควรไปอาน o ์เราเป็นเสมือนช้างที่ก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้งสี่เราต้องอดทนต่อคำร่วมเกินของผู้อื่นเพราะคนทุศีลหรือคนไม่ดีในโลกนี้มีมากการอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของเราดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า อหังนาโควะสังคาเมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบพระธรรมเทศนาคนผู้ด่าเป็นต้นได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นโหด่าพระพุทธเจ้าก็ยังได้บรรลุธรรมเนาะแต่อันนี้ด่าเพราะความไม่รู้เพราะว่าต้องการค่าจ้างสินจ้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดจาก เจตนาของตนเองโดยตรงแต่เกิดจากเจตนาของผู้อื่นแต่พอได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดสลดสังเวชใจทานองเนี่ยบาโหตายแล้วเราเนี่ยทำไมหลงขนาดนี้ก็เลยกลับใจได้ในขณะนั้นซึ่งโทษก็คงยังไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่ายู่ต่หน้าพุทธเจ้าแต่ถ้าการผ่านไปล่วงไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะเป็นกรรมหนักเหมือนกัน เรื่องนางสามาวดีเป็นเรื่องที่ยาวมากนะพิสดารมากเนี่ยผมเคยเล่าบ่อ ย, ยเวลาเล่าให้โยมฟังมันมีหลายละเอียดเยอะเนี่ยของอาจารย์วสินอินทศ ร, รที่เขาอ่านในลีลากรรมสตรีในสมัยพุทธกาลก็มีถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ต้องฟังที่นั้น สองสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาสิทธนหิเอเตหิยาเนหิคัจเฉยยะอคตตังทิสังยะถาตนาสุทันเตนะทันโตทันเตนะคัจติแปลว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปวงเล็บคือพระนิพพาน ด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยยานธรรมดาหาได้ไม่อธิบายว่าทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปไปม า, มา ได้แห่งละหลายครั้งทิศคืนพระนิพพานนี้ไปได้ด้วยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสํารวมอินสีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจ คิดคือพระนิพพานนี้ใครๆจะไปด้วยยานธรรมดามีช้างมา้ารถเป็นต้นหาได้ไหมต้องไปด้วยยานคือสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผู้ไปด้วยยาน น, นี้ท่านเรียกว่าสมถียานิกะและวิปัสสนายานิกะเรื่องนี้พระศาสด า, สดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นคนฝึกช้าง หรือขวานช้างมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นนายขวานช้างนั้นเห็นคนฝึกช้างผู้ตั้งใจจะฝึกช้างเชือกหนึ่งแต่ไม่สามารถฝึกได้ดังปรารถนาอยู่ที่ริมฝั่งน้ําอจิระวะดีเธอจึงกล่าวกับเพื่อนภิกษุผู้ยืนอยู่ใกล้ว่าหากหนายขวานช้างคนนี้พึงแทงช้างเชือกนี้ อย่างนั้นอย่างนั้นในที่โน้นแล้วเขาจะต้องฝึกช้างนี้ได้โดยเร็วควานช้างฟังคําของภิกษุนั้นแล้วปฏิบัติตามจึงฝึกช้างเชือกนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายจึงกลาบถุนเรื่องนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามเมื่อเธอรับว่าเป็นความจริงแล้วทรงติเตียนเป็นอันมาก ว่าไม่ใช่กิจของภิกษุที่จะต้องสนใจเรื่องการฝึกช้างฝึกมาเพราะบุคคลย่อมไม่สามารถไปยังทิศ ท, ที่ไม่เคยไปด้วยยานคือช้างเป็นต้นนั้นได้เลยแต่สามารถไปด้วยตนที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่านห ah ิเอเตหิยาเนหิเป็นอาทิมีระยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็ เป็นการฝึกตนเนาะฝึกสัตว์ก็ฝึกกรรมาชายงานเท่านั้นแต่ฝึกตนนี่ไปนำไปสู่ถึงนิพพานได้ว่าอย่างนั้นสามแม้ช้างยังเลี้ยงมารดานี่พระพุทธภาษิตธนะปาละโกนามะกุญชโรกรตุกัปกเปทะโน ทนนิวาระโยพุทโธกาพระลังกุญชติสุมระตินาคะวนัตสะพุญชโรแปลว่าช้างชื่อธนป่าละกะตกมันห้ามได้ยากถูกตกปลอกไว้แล้วไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างวงเล็บนาคะวัน พระคาถานี้ไม่มีเนื้อธรรมที่จะอธิบายเพราะเป็นข้อความในชาดกคือมาตุโปสกะนาคาชาดกวงเล็บชาดกเรื่องช้างผู้เลี้ยงมารดาข้อความกล่าวถึงเรื่องช้างธนปาลกะผู้ห่างจากมารดาแล้วไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่นาขวันเพราะฉะนั้นจะขอนาเรื่องในมาตุโปสกะ นาคชาดกนั้นมาเล่าแทนการอธิบายเนื้อความนมาตุโพสกนาคชาดกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมันดาอยู่ในป่าหิมพานต่อมาได้ทิ้งโขงพามันดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณนะให้มันดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สะบัว คราวนั้นมีพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่เจ็ดวันร้องไห้ขำกรวญมาถึงพระโพธิสัตว์พระยาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งถึงถิงถ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูนพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในขณะนั้นพระราชาจึงสั่งควานช้าง ไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรถเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยเพราะใจจดจอ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตัดถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจาักรลำบาก วันนั้นเป็นวันที่เจ็ดแล้วที่มารดาไม่ได้อาหารตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพระยาช้างไปทรงพอพระไทยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ที่อยู่พระโพธิสัตว์แล้วให้คนนําอาหารไปบารุงพระยาช้างและมารดาเสมอ ต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอรุสาวรีทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรมคือมารดาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาตุโปสกนาคชาดกนี พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภ บ, บุตรของพราหม์เท่าคนหนึ่งขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้บุตรของพราหม์เท่าพราหม์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณแปดแสนมีบุตรสี่คนเมื่อบุตรแต่งงานได้แบ่งทรัพย์ให้คนละแสนต่อมาเมื่อพราหม์มณีผู้เป็นมารดาของบุตรเหล่านั้นสิ้นชีพลงพวกเขาปรึกษากันว่า หากบิดาของเรามีภรรยาน้อยเมื่อภรรยาน้อยของบิดามีลูกทรัพสมบัติของเราจะแตกแยกกเป็นหลายส่วนพวกเราควรสงเคราะห์ปฏิบัติบำรุงท่านให้มีความสุขเมื่อปรึกษากันอย่างนี้แล้วพวกเขาได้ปฏิบัติบำรุงบิดาด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่ง ห, หม่มเป็นต้นอันประณีตวันหนึ่งบิดาตื่นขึ้นจากการนอนหลับกลางวันพวกเขาได้ชวนกันนวดเฟ้นมือและเท้า ปันานาโทษของการครองทรัพย์สมบัติของคนชรานานาประการและวิงวอนว่าพวกผมจะปฏบิบัติบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ไปตลอดชีพไม่ให้คุณพ่อต้องลำบากขอคุณพ่อได้โปรดมอบทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้พวกผมเถิดพรามใจอ่อนเชื่อลูกจึงได้มอบทรัพย์ให้อีกคนละแสนแบ่งเครื่องบริโภคอุปโภคอื่นๆออกเป็นสีส่วน แบ่งให้ลูกไปเหลือไว้แต่เพียงเครื่องนุ่งห่มของตนบุตรคนแรกบำรุงพราหมบิดาอยู่ได้เพียงสองสามวันวันหนึ่งลูกสะภ้ยของพราหมยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพราหมนั้นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาว่าพ่อได้ให้ทรัพย์แก่บุตรคนหัวปีมากกว่าบุตรคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันหรือ พ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนคนละสองแสนเท่าเท่ากันไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างพราหมณ์นั้นโกรธลูกสะั้ยมากบริพาทว่าอีหญิงถ่อยเมืองจงชิบหายเื้อเถิดดังนี้แล้วไปยังเรือนของบุตรคนอื่นแต่ก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาแล้วในเรือนของบุตรคนแรกเขาตัดสินใจบวชเป็นชีปะขาวเที่ยวภิกษุอาจารย์ คือขออาหารจากคนอื่นการเวลาล่วงไปเขาสุดโทมลงเพราะชรามีสลีระเศร้าหมองเพราะอาหารไม่พอและคุณภาพอาหารไม่ดีกินอยู่ลำบากวันหนึ่งภิกษาจารย์กลับมาแล้วทอดกายลงนอนหน้าที่แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ความหลับตื่นขึ้นแล้วนั่งมองดูตนผู้มีความกระวนกรวายอันระงับลงแล้วเพราะได้พักผ่อน คำหนึ่งถึงที่พึ่งของตนมองไม่เห็นบุตรคนใดอันจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระสัมณโคโดมมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคำไพเราะฉลาดในการต้อนรับถ้าเราเข้าไปหาพระสัมณโคโดมคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นแน่เขาจะแจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยหยิบภาชนะพิษาถือไม้เท้าไปยังสำนัก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาส่งปฏิสันฐานกับพรามว่าเหตุไรจึงดูเศร้าหมองไปเมื่อพรามทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงทรงประทานคาถาให้พรามทรงกำชับว่าให้นำคาถานี้ไปกล่าวในที่ชุมนุมชนพรามเรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเมื่อบุตรและสะายของเขาประดับประดาแล้ว ด้วยสันพาลังกาญย่างเข้าสู่สภาคือที่ประชุมนั่งบนอาสนะอันมีค่ามาก่าำกลางพวกพราหมณ์ในวัดประชุมพราหมณ์เขาตกลงใจว่าบัดนี้เป็นการของเราแล้วเข้าไปถ้ำกลางสภาชูมือขึ้นแล้วขอโอกาสว่าท่านทั้งหลายข้าพรเจ้าขอกล่าวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะฟังไหม ว่ามาเถิดพราหมณ์พวกเราต้องการฟังที่ประชุมพราหมณ์กล่าวพราหมง์ชราจึงกล่าวคาถาที่เรียนมาจากพระษาสดาว่าข้าพระเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุโยงแล้วลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุ ก, กรฉะนั้นบุตรเหล่านั้นเป็นอสสัตว์บุต ร, รเลวทามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อความจริงพวกเขาคือรากสด มาในร่างของบุตรทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้แก่แล้วพ่อของบุตรพานเหล่านั้นแก่แล้วเที่ยวขอทานเหมือนมาแก่ใช้การไม่ได้ถูกเขาพลากจากอาหารไม้เท้าของข้าพเจ้ายัางประเสริฐกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสนัข ก, ก็ได้เมื่อพลาดล้มลง คนแก่อย่างข้าพเจ้าก็อาศัยไม้เท้ายันลุกขึ้นได้ไม้เท้าจึงดีกว่าบุรพานเช่นนั้นสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดคือธรรมเนียมมีวัดอยู่อย่างหนึ่งว่าบุรที่ใช้สอยรัพย์ของมรรดาบิดาแล้วไม่เลี้ยงดูจะต้องถูกฆ่าโทษหนักเหมือนกันนะบุรของพราหมณ์นั้นเกรงประชาทันจึงมอบลงแทบเท้าของบิดาวิงวอนว่า ขอขุนพ่อกรุณาให้ชีวิตแก่พวกผมเถิดโดยธรรมดาใจของพ่อย่อมมีความอ่อนโยนต่อบุตรพรามนั้นเกรงบุตรจะถูกประชาทันจึงขอร้องไว้ว่าท่านทั้งหลายอยากให้บุตรของข้าพเจ้าต้องชิบหายเสียเลยพวกเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านใด น, นั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวกับบุตรของพรามนั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพวกท่านไม่ประครับประคองบิดาของท่านให้ดีแล้วซส พวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นกลัวแต่บรณะภัยเชิญบิดาให้นั่งบนตังยกไปยังเรือนของพวกตนทาสรีระด้วยน้ำมันเนี่ยคนอินเดียนิยมทาด้วยน้ำมันแม้มาบัด น, นี้ก็ยังนิยมกันอยู่ขัดสีให้สะอาดใช้ของหอมชโลมแล้วเรียกหญิงผู้เป็นภรรยาของพวกตนมาสั่งว่า ตั้งแต่วันนี้ไปขอให้พวกเธอจงปฏิบัติ บ, ตบำรุงบิดาของเราถ้าพวกเธอประมาทบกพร่องพวกเราจะลงโทษพวกเธอพรามเท่านั้นได้อาหารดีนอนหลับสบายมีความสุขขึ้นล่วงไปสองสามวันมีกำลังวังชาดีอินทรีย์เปล่งปลั่งขึ้นมองดูอัตภาพของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระสัมณโคดม เขาถือเอาผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งเพื่อไปบรรณาการแด่พระผู้มีพระภาคไปเฝ้าถวายผ้าคู่นั้นด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามย่อมแสวงหาทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่ออาจารย์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรับทรัพย์ส่วนของอาจารย์ไว้เถิดพระผู้มีพระภาครับผ้าคู่นั้นไว้เพื่ออนุเคราะห์เขาแล้วทรงแสดงธรรมเมื่อจบ เทศนาพรามนั้นปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยทูลถวายทุวพัดว่าบุรให้ทุวพัดแก่ข่าพระองค์สี่ที่ข้าพระองค์ขอถวายแก่พระองค์สองที่ทุวพัดแปลว่าอาหารประจำวันพระษาสดาตัดอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาแต่ตัดว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ประจําที่ จะต้องเสด็จไปโน้นบ้างไปที่นี้บ้างตามปรารถนาและตามความจำเป็นพราหมณ์ไปถึงเรือนสั่งบุตรทุกคนว่าเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาที่บ้านให้ถวายทุวพัดสองที่แก่พระองค์เพราะพระองค์เป็นเพื่อนของเขาและได้กล่าวถวายพระองค์ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตอย่างประตูเรือนแห่งบุตรหัวปีของพราหมณ์สงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าของเรือน เขาถวายโภชนะอันประณีตแด่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังเรือนของบุตรพรามทุกคนเรือนละวันพวกเขาได้ต้อนรับอย่างดีและถวายขาธิยญโภชนิยาหารอันประณีตวันหนึ่งบุตรหัวปีของพรามปรารบจะมีงานมงคลอย่างหนึ่งเขาถามบิดาว่าควรจะให้มงคลแก่ใครพรามตอบว่า พระสปนโคดมเป็นสหายของพอมิใช่หรือบุตรคนหัวปีจึงขอให้บิดานิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จำนวนห้ารเพื่อเสวยและฉันที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบด้วยโคไมสดประกอบด้วยสันพา รังการแล้วอังคาดด้วยมัทุปายาตแค่นและคาธนิยะอันปราณีตเอาโคขี้วัวนี่มาฉาบกันนะโคเมนสดก็คือขี้วัวใหม่ๆในคนอินเดียไม่รังเกียจขี้วัวในงานมงคลเขาจะฉาบผาบ้านเรือนด้วยขี้วัวบางๆในงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเดินผ่านทางที่เขาฉาบขี้วัวไว้บางๆเป็นเกียรติยศ เรื่องนี้คนอินเดียสมัยใหม่ได้เลิกไปนานแล้วบุตรพรามทั้งสี่คนได้กราบทูลพระศ า, าสดาในขณะเสวย อ, อยู่ว่าพวกเขาได้ประคับประคองบำรุงบิดาด้วยดีตลอดมาโปรดทอดพระเนตรร่างกายของท่านบิดาเถิดพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายทำชอบแล้วอันการเลี้ยงมารดาบิดานั้นโบราณกะบันดิตทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วตัดมาตุโปสกะนาคชาดกโดยนัยะว่าเพราะช้างนั้นจากไปต้นอ้อยช้างและไม้โมกมันจะ ง, งอกขึ้นสวัยเป็นต้นแลแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดประคาถาว่าธนปาลโกนามกุญชโรเป็นอาทิมีนัยะดังพันานามาแต่ต้น เมื่อจบพระธรรมเทศนาพรามพร้อมทั้งบุตรและสภัายได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วแหลเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นคติดีสำหรับผู้ที่มีพ่อมีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยการบำรุงบิดามารดาเนี่ยพระศาสดาทรงสรรเสริญเนี่ยเรื่องนี้ดังนะก็ไปเขียนเป็นคติเยอะมากเลย มมีลูกอ ก, กตันอยู่เนี่ยสู้ไม้เท้าก็ไม่ได้ไม้เท้ายังไหลสุนักไหลโน้นไหลนี้ได้เนี่ยค้ำยันกันลมได้เนี่ยแต่บุตรทิดาเป็นผ่านเนี่ยมันแยก่กว่าไม้เทา้าใช้ไม่ได้ก็เอามาจากเรื่องนี้แหล ะ, ะแต่คาถาพุทธ อ, องค์ก็ได้ผลเนาะแต่ในสมัยโน้นเขาแสดงว่าความกระตันอยู่นี้ เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยใบแพ้คนจีนเหมือนกันเนี่ยคาดโทษไว้ถึงประหารชีวิตเลยเนี่ยใครไม่เลี้ยงดูบิดามารดาทิ้งให้เป็นขนาดนั้นน่ยยิ่งพวกพรามนี่ถือเขาถือว่าเป็นศักดิ์ศรีมากเนี่ยเนี่ยถ้าปล่อยให้บิดาบรรดาจะถึงขอทานลักษณะนั้นถือว่าแย่มากโทษจะต้องถึงชีวิตเลยเนี่ยอนีพอไปกล่าวคาถาทาี่ตกใจกันหมดเลยทุกคน ต้องรีบต่างงานชีวิตไม่เหลือแน่นะก็ดีเป็นข้อคิด 4. ผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆพระพุทธภาสิทธิมิธียทาโหติมหคโสจะนิทายิตาสัมปริวัตตสายีมหาวราโหะนิวาปปุทธโธ ปุนับปูนังคพะมุเปติมันโทแปลว่าในการใดบุคคลเป็นผู้กินมากมักง่วงนอนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยความกระสับกระส่ายประหนึ่งหมูที่เขาปลนเปลือแล้วด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมึนซึมโง่งเขาย่อมเข้าห้องบ่อยบ่อยเรื่อง นในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือไม่ให้อิ่มเกินไปจนอึดอัดไม่ให้หิวเกินไปจนอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้ความพอประมาณนี้ท่านเรียกว่าโภชเนมัตตัญุตาเป็นข้อหนึ่งในอปันนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างได้แก่ อินส ah ิยสังวรโพชเนมัตตัญุตาชาคิยานุโยกปฏิบัติอยู่ในสามข้อนี้แล้วรับรองว่าไม่ผิดการสอนว่าเมื่อเหลืออีกประมาณสี่หาคำจะอิ่มให้หยุดบริโภคอาหารแล้วดื่มน้ำแทนจะได้ส่วนที่พอดีคือ น, น้ำจะเข้าไปแทนที่อาหารที่ยังว่างอยู่ถ้าบริโภคเจนเต็มที่ไม่มีช่องว่างในกระเพาะเลย ลำพังอาหารอย่างเดียวก็อึดอัดอยู่แล้วเมื่อจำเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปอีกจะอึดอัดสักเพียงใดบางคนไม่ต้องการกินอาหารมากนักแต่เมื่อกินอาหารถูกปากรสอร่อยก็ติดในรสอาหารนั้นจึงบริโภคมากกว่าที่ตั้งใจถึงเท่าตัวหรือสองเท่าตัวเช่นตั้งใจว่าจะบริโภคเพียงจานเดียวแต่เมื่ออาหารอร่อยก็บริโภคแ่สองหรือสามจานแล้วก็อึดอัดทาอะไรไม่ได้ต้องนอน อาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแกร่ร่างกายมากกว่าเป็นคุณในบทพิจารณาของพระท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อความเปล่งปลั่งแห่งผิวพรรณแต่เพื่อบัรเทาเวทนาเก่าคือความหิวแกละไม่ให้เวทนาใหม่คือความอึดอัดเกิดขึ้นบริโภคเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ การบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้นั้นไม่สู้ยุ่งยากมากนักเพราะสำหรับบุคคลเช่นนั้นอะไรก็ได้ที่สามารถบรรเทาความหิวได้สบายกายกระปรี้กระเพราไม่หนักเนื้อหนักตัวคนอย่างนั้นย่อมไม่สแสวงหาความสุขจากการกินการนอนแต่สแสวงหาความสุขจากการศึกษาเ ร, าเรียนการหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันและการทาประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ความจริงอาหารทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยอุจจาระปัสสาวะทํานองเดียวกับความรักทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความร่ำไรลำพันธ์จริงอยู่ร่างกายย่อมต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันขาดอย่างใดย่อมเรียกร้องหาอาหารประเภทนั้นเช่นคนขาดวิตามินซีย่อมต้องการบริโภคอาหารเปเรี้ยวเป็นต้นคนขาดอาหารนั้นคือ คนไม่ได้อาหารประเภทที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอแก่ความเจริญเติบโตของอวัยวะนั้นๆการมีอาหารเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนการบริโภคแต่พอประมาณนั้นทำให้สุขภาพดีท่านจึงกล่าวว่าเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณ วงเล็บในอาหารและในทุกๆอย่างเช่นการนอนการทำงานเป็นต้นเอาชนะความง่ง่งด้วยความพอประมาณในอาหารรวมความว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ให้พอประมาณในการบริโภคนั้นงดเว้นสิ่งอันเป็นพิษเป็นภยัยแก่ร่างกายเช่นสุรายาเสพติดให้โทษบุหรี่และของมึนเมาสาหรับสุรานั้น ถ้าดื่มเป็นประจําก็จะทําให้ร่างกายสุดโทรมเร็วอาจจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งเป็นภัยมากบุหรีไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนสุขภาพไม่ดีอาจเป็นอันตรายแก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงและอวัยวะอื่นๆอีกอาหารเป็นสิ่งจําเป็นแก่ร่างกายขาดไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายและต้องรับประทานทุกวัน ขอให้รับประทานแต่พอดีเท่านั้นการรับประทานอาหารมากเกินไปและไม่เป็นเวลานั้นทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดหรือทำให้อ้วนเกินไปประการหลังนี้อาจจะนำไปสู่โรคหัวใจโรคข้ออักเสบคือโรคเกาโรคเบาหวานและอีกหลายโรคแต่ถ้ารับประทานน้อยเกินไปคือน้อยไปกว่าที่ร่างกายต้องการ ร่างกายจะไม่เจริญและอ่อนแอลงทำให้ต้านทานโรคต่างๆไม่ได้สำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารนั้นนายแพทย์อันนี้ท่านยกตัวอย่างนายแพทย์เสนออินทรสุขศรีท่านเรียกว่าเป็นมานของชีวิตได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้หนึ่งรับประทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียด 2. หลังอาหารใหม่ไม่ควรอาบน้ำทันที 3. หลังอาหารใหม่เดินเล่นสักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายหรือทำงานหนัก 4. หลังอาหารใหม่ๆอย่าใช้ความคิดมากหรืออ่านหนังสือคลั่งเคร่งนัก 5. รับประทานอาหารพอดีและได้สารอาหารครบทุกอย่า ง, งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแระธาตุวิตามินและน้ำเป็นตน้น6 รับประทานอาหารเป็นเวลา7ในระหว่างรับประทานอาหารดื่มน้ำแต่พอควรแต่วันหนึ่งหนึ่งควรดื่มน้ำวันละมากๆอย่างน้อย 6-7 ถึงแก้ว 8. คณะรับประทานอาหารไม่ควรคุยกันจนลืมตัว 9. อาหารที่ตกลงกับพื้นแล้วควรทิ้งเสียไม่ควรหยิบขึ้นมารับประทาน 10. รับประทานแต่อาหารที่สุกและสะอาด11ฝึกนิสัยให้ถ่ายอุจจระทุกวันเป็นเวลา สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวศิระญาณวโรรสทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือมนุษยวิทยาเล่มหนึ่งหน้าหกว่าอาหารนั้นก่อนแต่จะกลืนต้องเคี้ยวให้แหลกข้อนี้ทำให้ละลายง่ายขึ้นมากและช่วยแบ่งภาระของกระเพาะให้เ่าลงความไม่สบายท้องคือความ วิการในกระเพาะบางอย่างที่รู้กันว่าโทษอาหารไม่ย่อยเป็นโทษของอาหารที่ด่วนกลืนลงไปในขณะที่เคี้ยวยังไม่แหลกดีถึงอาหารที่อ่อนซึ่งไม่ต้องเคี้ยวมากเช่นขนมปังสดข้าวแป้งก็ควรอมไว้ในปากสักครู่รอให้ชุ่มเคละพอยางก็มันกลายเป็นน้ำตาลเสียก่อนวงเล็บเมื่อฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดลงน้าลาย ที่ออกมาจะช่วยกลั่วอาหารกับช่วยย่อยอาหารพวกแป้งบางส่วนให้เป็นน้ำตาล <c oughs> น, นีผู้เขียนจะเบาธุระของกระเพาะลงมากกินอาหารวันละสามครั้งเป็นพอตามธรรมดาสากับสำคัญมากกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างในเล่มเดียวกันหน้า27ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับการอาบน้ำหลังอาหารไว้ว่า มีกฎให้คาดแคล้วจากพยันตรายอย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งอาบน้ําก่อนอย่างเร็วที่สุดภายหลังแต่กินอาหารแล้วไปสองชั่วโมงจึงค่อยอาบเมื่อใดบุคคลบริโภคอาหารมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงง่วงนุ่นนอนกลิ่งเกลือกเหมือนสุกรเข้าห้องนอนบ่อยๆอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายหาเป็นคนแต่ประการใดไม่ เพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคแต่พอประมาณและถือคติกินเพื่ออยู่นั่นแหละดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปราบพระเจ้าพระเศทติโกศลมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในสุขะวัคควรนานาที่15เพื่อท่านผู้อ่านไม่ต้องกลับไปค้นดูในที่นั้นจึงขอนามากล่าวไว้อีกแมในที่นี้ความว่า สมัยหนึ่งพระเจ้าเพเสนที่โกรธสนเสวยอาหารมากจนทรงอ้วนมากเกินวันหนึ่งเสวยเช้าแล้วยังไม่ทันได้พักผ่อนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงลำบากพระกายขณะเฝ้าทรงพิกกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆและทรงง่วงด้วยพระศาสดาตรัสทักว่ามหาบ่อพิษเสวยแล้วยังไม่ได้พักผ่อนแล้วสเสด็จมากระมังพระเจ้าข้าหลังสเสวยหม่อมชั้นมีความทุกข์มากเหลือเกิน มหาบอ่อพิดคนบริโภคมากเกินไปย่อมลำบากมากอย่างนี้แหละจึงไม่ควรบริโภคมากพระทศพลตัดต่อไปว่าเมื่อใดคนบริโภคมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงชอบนอนกระสับกระส่ายเหมือนสุกรที่กินจนอิ่มเต็มที่เขาเหมือนซึมเข้าห้องคือนอนบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์พระราชาพระพุทธองค์ทรงให้อุตรมานพ เรียนพระพุทธพจน์ไปกล่าวคณะที่พระราชาเสวยพระพุทธพจน์นั้นข้อความว่าจำมาไปด้วยนะคนผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืนขาถาพระพุทธเจ้านี ต่อมาพระราชาทรงกระปี่กระเป่าทรงมีพระสรีระเบาทรงมีความสำราญทรงคุ้นเคยกับภาษาสดายิ่งขึ้นได้ถวายอสัถิสถานเจดวันวงเล็บดังกล่าวได้ในเรื่องอสาตถิสถานและโลกะวควันานาที่13นี่เป็นวิธีลดความอ้วนที่พระพุทธเจ้าแนะนำมาสองพกว่าปีแล้ว น่าจะเขียนขึ้นไปลายไปหน่อยเนาะวิธีลดความอ้วนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้สองพันกว่าปีเขียนไว้น่าสลาย น, นี่เอาคำนี้ก็ได้คนผู้มีสติทุกเมือ่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วเขียนไว้ที่ห้องอาหารก็ได้หน้าห้องอาหารย่อมมีโครคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืน บอกว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้โดเขียนท้ายไว้น่าจะดี 5. เหมือนบุรุษผู้กลุ่มขอพระพุทธภาสิตอิทังปุเรจิตะมจาริจาริกังเยนิชกังยัตถกามังยัถาสุขังตัฏฐาหังนิคหิตสามิโยนิโสหัดถิงปพินังวิยะอังกุฏ สักคาโหแปลว่าเมื่อก่อนนี้จิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามอาการที่ปรารถนาตามอารมณ์ที่ใคร่ตามสบายวันนี้เราจะข่มมันด้วยโยนิโสมนัสิการประหนึ่งบุรุษผู้กุมขอข่มช้างที่ซักมันฉะนั้นอธิบายว่าการฝึกจิตการข่มจิตเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามปรารถนา ตามต้องการตามสบายนั้นมีแต่จะก้าวลงต่ำเป็นจิตที่ต่ำาซามไม่ควรแก่การเป็นมนุษย์วงเล็บคือผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี้เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไว้ในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิตคำตอบ ก, ก็คือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธภาษิตนี้ตรัสว่าคมจิตด้วยโยนิสมนสิกา ซึ่งก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆมีใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความใคร่ขึ้นสือไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่นั้นพบแล้วละเหตุแห่งความใคร่นั้นเสียความเกลียดคร้านเกิดขึ้นสือไปหาต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเกลียดคร้านพบแล้วละเหตุแห่งความเกลียดคร้านนั้นเสียนี่คือโยนิโสมนสิการหรือปัญญา ส่วนสตินั้นคอยกีดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประคับประคองในการที่ควรประคับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้งครั้งละประมาณ 3-4 ถึงเดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนิดทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนี่ยวอยู่ตลอดเวลามิฉนั้นก็จะตกไปในที่ต่า คืออารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตก็มักจะดิ้นรนกัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาพยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ใดสัรวมจิต ผูน้นั้นจมพ้นจากบ่วงมานเรื่องการข่มจิตนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะวิหารเชตวันทรงปราบรสานุสามเณรมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สามเณรเป็นบุตรคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งนางให้ลูกบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลดีมีวัดงามไม่บกพร่องในอุปชายวัดอาจริยวัด และอาคันตุกะวัดเป็นต้นในวันธรรมสวระคแปดค่ำต่อเดือนสามเณรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ตั้งน้ำไว้ในโรงน้ำปัดกวาดโรงธรรมตามประทีปประกาศวันธรรมสวรนะด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายทราบความสามเณรของเธอแล้วให้เธอแสดงธรรมในบางโอกาสเธอไม่ได้อิดเอื้อนหรือแก้ตัวว่าปวดท้องปวดหัวหรือ เจ็บคอแต่ประการใดเลยขึ้นธรรมาตแสดงทรมประหนึ่งหลังน้ำลงจากอากาศเมื่อจะลงจากธรรมาต์ได้กล่าวทุกครั้งว่าข้าพระเจ้าให้ส่วนบุญแก่มารดาสามเณรหมายถึงมารดาในพบอดีตซึ่งเวลานั้นเป็นยักษ์ินีอยู่นางมากับเทวดาทั้งหลายฟังธรรมของสามเณรและอนุโมทนาบุญที่สามเณรให ท่านกล่าวว่าธรรมดาภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเทวดาที่มีความละอายคือมีหิริมีความเคารพในสามเณรมีความรู้สึกในสามเณรประหนึ่งมหาพรหมและกองเพลิงห่วงเล็บทั้งเคารพและยำเกรงยักษิศรีพลอยได้รับความเคารพไปด้วยเพราะเทพเหล่านั้นมีความเคารพในสานุสามเณร ในสมัยที่มีการฟังธรรมและสมัยที่ยักรประชุมกันพวกเขาย่อมให้อาสนะที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่ยักษินีด้วยสักว่านางเป็นมารดาของสานุสามเณรแม้ผู้มีศัก์ใหญ่เมื่อเจอยักษินีก็หลีกทางให้หรือลุกจากอาสนะเป็นการต้อนรับให้เกียรติต่อมาสามเณรโตเป็นหนุ่มขึ้นปราถนาจะศึกไปครองฆราวาส ไม่อาจบรรเทาความปรารถนานี้ได้มีความไม่ยินดียิ่งในศาสนาปล่อยผมและเล็บไว้ให้ยาวสบงและจีวรมอมแมมไม่แจ้งให้ใครทราบถือบาดและจีวรไปยังเรือนของมารดาเพียงลาพังคนเดียวมารดาต้อนรับเธอด้วยใจปีติโสมานัตและถามว่าครั้งก่อนๆที่เคยมาสามเณรเคยมาพร้อมกับอาจารย์และอุปชัยะ หรือมิฉะนั้นก็พร้อมกับภิกษุหนุ่มหรือสามเณรอื่นชะนยวันนี้จึงมาคนเดียวสามเณรบอกความพิตนปรารถนาจะศึกมารดาของเธอเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาไม่ปรารถนาให้สามเณรศึกจึงแสดงโทษแห่งความเป็นฆรวาสนานาประการแต่ก็หาสามารถหยุดยั้งความคิดที่จะศึกของสามเณรได้ไม่นางคิดว่าสามเณรเป็นผู้ฉลาด วันหนึ่งคงจะคิดได้เองกล่าวว่าขอให้สามเณร น, นั่งอยู่ก่อนจะจัดอาหารถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วจะนำผ้าสำหรับเครือหัดมาให้ในขณะที่อุบาสิกาผู้เป็นบรรดาของสามเณรกำลังนั่งสาวข้าวอยู่นั่นเองนางยักษินีผู้เคยเป็นบรรดาของสามเณรในอัตถภพอดีตพิจารณาอยู่ว่าสามเณรอยู่ที่ไหนหนอ เธอได้อาหารแล้วหรือไม่ทราบความที่สามเณรปราตนาจะศึกนางจึงคิดต่อไปว่าสามเณรไม่พึงให้เราละอายพวกเทวดาทั้งหลายเราจะทำอันตรายให้การศึกของเธ อ, อหรืออันตรายในการศึกจะิดไปดังนี้แล้วจึงมาสิงในกายของสามเณรบิดคอให้ล้มลงบนแผ่นดิน าทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลดิ้นอยู่บนแผ่นดินนั้นอุบาสิกาเห็นอาการของบุตรนั้นจึงช้อนให้นอนบนตักชาวบ้านพากันมารุมล้อมบวงสรวงทำพรีกรรมเป็นต้นเพื่อให้สามเณรพ้นจากอันตรายอุบาสิกาคล่ำครวญอยู่กล่าวว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยกับคนที่รักษาอุโบสถศีลทุกวันแค่ำ14่ค่ำและสิาค่ำ และในป่าติหาริยปักประพฤติพรหมจันทร์อยู่ข้าพเจ้าได้สดับคําของพระอรหันต์ทั้งหลายมาดังนี้แต่มาวันนี้ข้าพเจ้าเห็นประจักษ์ด้วยตนเองว่ายักเล่นกับสามเณรยักษณีฟังคําของอุบาสิกาแล้วกล่าวว่าการที่ท่านฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นการดีแล้วท่านจงบอกคําของยักษ์ทั้งหลายกับสานุสามเณรว่าท่านอย่าได้ทําบาปทั้งในที่รับและที่แจ้ง หากทำบาปแล้วก็ตามกำลังทำอยู่ก็ตามแม้ท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ยักษิศีกล่าวดังนี้ก็ปล่อยสามเณรแล้วจากไปสามเณรลืมตาขึ้นเห็นมารดาสยายผมร้องให้สะอึกสะอืินเห็นชาวบ้านมารวมกันอยู่มากไม่ทราบว่าตนถูกยักษ์สิงจึงถามมารดาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตนจึงมานอนอยู่กับพื้นดินและถามว่าโยม คนทั้งหลายร้องให้ถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปบ้างยมเห็นฉันอยู่เหตุอะไรจึงร้องให้มารดาของสามเณรต้องการแสดงโทษของการอยู่ครองเรือนแก่เธอจึงกล่าวว่าจริงอยู่ชนทั้งหลายย่อมร้องให้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนมาในกามนี้อีก ชนตั้งหลายย่อมร้องให้ถึงผู้นั้นบ้างเพราะเขาแม้เป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้วพ่อเนนถูกยกขึ้นจากเท่ารึงแล้วยังปรารถนาจะลงไปสู่เท่ารึงอีกถูกยกขึ้นจากเหวแล้วยังปรารถนาจะตกลงไปยังเหวอีกพ่อเนนเป็นเหมือนของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ไฟไหม้แล้วยังปรารถนาจะมาอยู่ในเรือนเช่นนั้นอีกโยมจะปรับทุกข์กับใครเล่า ก็การบวชในพระพุทธศาสนานั้นประหนึ่งของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเมื่อมารดากล่าวอยู่อย่างนี้สามเณรรู้สึกตนกลับใจได้บอกมารดาว่าจะไม่ศึกแล้วมารดาก็อนุโมทนาเมื่อทราบว่าสามเณรมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้จัดแจงไตรจีวรเพื่อการอุปสมบทของสามเณรต่อมาพระศาสดามีพระประสงค์จะให้ภาษานุ มีอุตสาหะในการข่มจิตเมื่อเธอบวชแล้วไม่นานจึงตรัสว่าธรรมดาจิตเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตลอดการความสวัสดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่สามารถข่มจิตลงได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียรในการข่มจิตเหมือนานายหัดถาจา์ในการพยายามข่มช้างตกมันฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสประคาถา ทางปูเรเป็นอาทิมีนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาเทวดาเป็นอันมากได้บรรลุมรคผลท่านสานุนั้นเรียนพระพุทธพจน์จวจนะจนเป็นพระธรรมกตถึกที่เชี่ยวชาญดำรงชีวิตอยู่ถึง120ปียังชมภูทวีปให้กระชอนปรินิพานแล้วแต่งนี้ก็น่าคิดดี มีทั้งแม่ปัจจุบันแม่อดีตมีเหมือนกันนี้แม่นี้ไปที่ดีก็มีอย่างไปไม่ที่ดีเป็นยักษ์ก็มียักษ์นี่เขาได้บุญกับเนน <c oughs> นี่ก็จะปล่อยให้เนนสึกได้ยังไงนี <c oughs> ่เน่ยเขาได้เกียรติได้ยศโอ้โหขนาดเทวดายังหลีกทางให้ยังให้ที่นั่งที่อะไรเลยแม้พวกที่มีศักดิามากอะไรมากนี่ก็ยังให้เกียรติ เพราะอะไรเพราะเคารพในสามเณรผู้มีศีลมีอานิสงส์ถึงขนาดนั้นดีธรรมบทก็มีข้อคิดให้เราได้คิดหลายเรื่องหลายอย่างเนี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบในนี nella, uh ้ว oh ่างั้นได้ทั้งทโลกทางธรรมเนี่ทางโลกทางครองเรือนก็ท่านก็สอนให้เอาไปใช้อย่างไรในการอยู่ในสังคมอยู่กับโลกอยู่กัคนมากจะต้องทําอย่างไรเนี่ย อดทนมาก ๆ, ๆนี่เหมือนท่านบอกว่าต้องมีสติมีความอดทนต่อคำด่าว่าร้ายต่อคำอะไรต่างๆเนี่พะพมันอยู่กับคนมากคนชั่วมากก็ต้องทนมากนะถ้าอยู่กับคนดีมากก็ไม่ต้องทนมากถ้าสมาเกอยู่กับคนชั่วมากก็ต้องทนมาก น, นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา อยังธรรมกะถาสาถายสมันเตหิสันละเกตาพาติ